ฉีดน้ำตาให้เธอและปลอยให้ใจของเธอได้ลืมได้ไหมความเราวันนั้นที่มันทำร้ายขอให้ฉันได้ลบมันได้ไหมใช้หัวใจของฉันอยู่ยากใเธอมันคงไม่แฟร์ถ้าเรื่องของเขาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อ อ, อยากให้เธอลองรักมืนครั้งแรกแต่เธอได้พบพราดและลืมทุกทุอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักด้วยหัวใจ จะรักเธอไม่มีวันทำใเธอเสียใจ ไม่ไรจะพิงมื่เธอต้องการมันคงไม่แฟร์จะเรื่องของเขาจะทำใไม่รอไม่ได้ไปต่อโปรดต้องเชื่อฉันจะมาอยากให้เธอลองรักมือนครั้งแรกที่เธอได้พบใครและลื ลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกูรองนะเธอรักฉันเหมือนเธอไม่เคยเจอสักครั้งมารู้ไว้ว่าของที่ยืงข้างเธอกันมาเพาะะื่อเจอเธอ ไม่เคยเจะสักครั้งและรู้ไว้ว่าคงที่ยืนข้างเธอเกัน่าเพื่อจะรักเธอ